พณาสัตวการนท่านสาธุชนทั้งหลายสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องสมาธิสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการเจริญสมาธิภาวนาแระทรงแสดงว่าบุคคลในโลกนี้เจริญสมาธิภาวนาด้วยวัตถุประสงค์สี่ประการประการแรกนั้น คือเจริญสมาธิเพื่อความดูเป็นสุขในปัจจุบันก็เรียกว่าให้อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันเป็นหลักการเจริญสมาธิประเภทที่สองนั้นเป็นการเจริญเพื่อการได้ความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆการเจริญสมาธิประเภทที่สามนั้น เป็นการเพิ่มพูนสติสัมมชัญญะในการเจริญสมาธิประเภทที่สีเป็นการเจริญเพื่อความสิ้นไปแห่งอสวุวะทั้งหลายกรสงอธิบายประเภทแรกไว้ว่าได้แก่การใช้สมาธิที่บำเพ็ญภาวนาทั่วๆไป โดยการตั้งสติเราเลึกรู้อยู่ที่อารมณ์ของกรรมาฐานก็อใดข้อหนึ่งเพื่อจิตใจมีความสงบและความสงบต่งนั้นก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับจนกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสมาธิสมาธิที่ทรงแสดงในพระบาลีจริงๆก็แสดงไว้สองระดับแต่ว่า ในตอนต่อมาท่งนก็เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งนันเรียกว่าคณิกะสมาธิคือเป็นความสงบที่เกิดขึ้นช่วงขนาดหนึ่งอาจจะระยะเวลาสั้นๆสองสาม น, นาทีสีห้านาทีอะไรเนี่ยแต่ก็ถือว่าสงบแสมาธิระดับหนึ่ง มีปริมาณความสงบเพิ่มพูนขึ้นท่านเรียกวอุปจารสมาธิคือเฉียดกล้ายความตั้งมั่นของจิตขึ้นไปอาจจะสงบได้ถึงสิบนาทีหรือสิบกว่านาทีสมาธิอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอปนาสมาธิแปลว่าสมาธิที่แน่แน่มั่นคงแล้วจนจิตใจนั้นสงัดจากอกุศลและธรรมทั้งหลายตรงนี้เป็นสูตร หมายความว่าส่งแสดงเมื่อไหร่มันก็ก็ใช้คำอย่างนี้ทุกทีมันเป็นสภาวะของธรรมะอย่างที่ยกตัวอย่างคล้ายเรากินเกลือนะใครจะกินก็เค็มทุกทีเพราะสมาธิในแนวนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นคือค่อยๆสงบไปเรื่อยๆ ก, การอธิบายนะั้นจะอธิบายสองแนวแต่แนวนี้จะอธิบายมากหมายความวาแนวการเพิ่มของตัวกุศล สงัดจากอากุศลธรรมทางหลายคือสงัดจากวิตุกคือความตรึกนึกเพราะจิตใจเราที่ไม่สงบเนี่ยเราสังเกตว่ามันเกิดขึ้นจากความตรึกนึกการเหนียวนึกของเราและเหนียวนึกที่ไม่สงบก็คือเหนียวนึกไปในทางที่เป็นการเพิ่มปริมาณของกิเลส ข, ขึ้นไป คิดด้วยความริษยาฆาดคิดด้วยความแข็งดีคิดด้วยความมาคาตพยาบาทคิดด้วยความละโมโบโลภอยากได้คิดมุ่งการประทุสลายเปลี่ยนเปลี่ยนความเราร้อนมันก็เกิดขึ้นเราเรียกความคิดเหล่านี้ว่าเป็นมิจฉาวิตกหรือความตึกนึกในทางที่ผิดโพืเพิ่มความเราร้อนแต่วิตกมันคงมีนะฮะเพราะว่ามันเป็นอาการของจิตหรือจิตก็ต้องตึกนึกถึงอารมณ์ต้องคิดอารมณ์ ก็เป็นธรรมชาติของเขาเพียงแต่ว่ามันสงบจากอานาจของกิเลสอาถามันกิเลสอะไรก็คือกิเลสประเภทนิวรการที่ท่านเรียกว่านิวร์นั้นเป็นการเรียกอาการปฏิที่ยังท่านเรียกชื่ออย่างอื่นนะนะแต่ว่าภาพของนิวร์มันมันมันเรียกเลยเป็นชัดมันเป็นรูปธรรมนิวร์นั้คือเป็นสิ่งที่กั้นหรือขัดขวางเป็นอุปสรรค สรุปรวมว่าการจิตคนเอาไว้ไม่ให้ทําความดีได้หรือไม่ให้รักษาความดีได้ตลอดถึงไม่สามารถที่จะเพิ่มพูนความดีขึ้นมาได้สับไตที่ใจเป็นอย่างเป็นอย่างนั้นพร้อก็สงบจากวิตกคือความเหนียวนึกตรุนึกไปโดยอํานาจของกิเลสแต่ถามว่ามีวิตกไหมมันก็มีนะฮะท่านบอกว่าก็ามีวิตกวิจารณแต่มันเป็นกุศล เช่นระดับของสมาธิระดับภาวนาใจมันก็เหนียอยู่ที่ตัวอารมณ์ทึ่เรากําหนดระลึกเสืุทรภาวนาพุโทโธใจมันก็อยู่ที่พุโทโธใจสงบใจนิ่งมันก็อยู่ที่ตัวนิ่งต่อความสงบต่อเนั้นงถ้าถามมาตึกึกไหมมันก็ตึกนึกแต่ว่าตึกนึกที่เป็นกุศลไม่ได้ไม่ได้เพิ่มปริมาณของกิเลสแล้วก็บำเพ็ญไปไปเรื่อยมาถึงจุดหนึ่งเนี่ย จิตมันไม่เหนียวจิตไม่เหนียจิตไม่นึกแต่จิตจะอยู่ด้วยปีติมีความ อ, าอึบอิมปรากฏขึ้นอยู่ภายในจิตยศดาโปร่งเบากายเ็าเรียกกายเบาใจเบาแล้วพาถึงจุดหนึ่งแมอาการของปีติเองก็ไม่มีแม้วาก็มีเฉพาะตัวความสุขความสุขที่เราสัมผัสด้วยใจ ควาแม้แต่ว่าร่างกายอาจจะปวดอาจ จ, อ, อาจจะเมื่อยอาจจะเหน็บชาไปบ้างแต่ในสุดมันก็จะจากมันจะคลายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใจจะอยู่ที่ตัวสมาธิใจจะจะไม่วิ่งไปรับอารมณ์ตรงนั้นความสงบความตั้งมั่นภายในใจก็เกิดขึ้นที่ท่านเรียกว่าเอกคตาคือจิตมันอยู่ที่อารมณ์อย่างเดียว ก็กลายเป็นความตังมันทีนี้ในการเดินตัวนี้ท่านเรียกเป็นรูปฌานคำวิาชานั้นมีสองความหมายด้วยกันความหมายแรกเป็นตัวเหตุคือการตั้งสติแล้วลึกรู้อารมณ์ดังกล่าวเนี่ยทา่านก็เรียกวิชาณจะดูอะไรกระดามนะจะดูพวกสีต่างๆพวกแสงต่างๆพวกรูปต่างๆหรือว่าภาวนา อุตูธ โ, โมสังโฆอะไรต่ออะไรก็ตามคือสรุปว่าท่านเรียกว่าอารามานุปนิ ช, ชานคือเพ่งเพ่งอารมที่เรากําหนดระลึกแต่รมที่ใช้มากําหนดระลึกนั้นก็มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าต้องไม่ใกล้กังกิเลสคือถ้าใกลก้กังกิเลสแล้วระลึกไม่ได้คือใจยังไม่มีการส่งตัวดีพอคือไม่คิดถึงคนที่ไม่ดีครับ คิดเรื่องใกล้กิเลสใกล้ราคะกล้โทพระใกลโ้กลโทสะกล้โมหะเข้าออใจมันมันมนจะไม่ไปผลาสิ่งนี่นำมาคิดจะเป็นที่ตั้งของศรัท ธ, ธาประสาธะนั้นประการหนึ่งเป็นที่ตั้งของปิติปราโมทย์แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมดาซึ่งไม่ก่อเกิดความกระหนัดกระเครื่องรุ่มลงโม่มอะไรแล้วก็เป็นที่ตั้งของคุณธรรม ก็สรุปแล้วมันจะมีอยุสีแนบในเดินนเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาประสาธะเช่นการระลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะเกิดศรัทธาประสาธะเพิ่มขึ้นใจก็จะผองใสบางทีก็เป็นที่ตั้งของปีติประโมทเช่นว่าเราลึกถึงผลทานผลศีลของเราพวกเรียกว่าจาคานุสติศีลานุสติ และเราเห็นผลทานผลศีลมีอยู่ภายในใจในวิีชีวิตก็เกิดจะปิกจะเกิดปิติประโมทขึ้นและบางอย่างก็เป็นเรื่องที่เพิ่มปริมาณกอธรรมะเช่นพวกพรหมิหารทั้งสีพวกเราลึกถึงพระนิพพานก่อให้เกิดปริมาณกอธรรมะเพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกลางๆนะฮะท่านทั้ ง, ง, งหลายจะลองสังเกตว่เาเป็นเรื่องกลางๆเช่นพวกศีลสิบ ปลกดินน้ำลงไฟอากาศปวกสีต่างๆก็แต่ละอย่างมั่งว่าเป็นเป็นเป็นธรรมชาติแต่พวกธาตุทั้งสีพวกอาหารเหล่านี้ก็รวมแล้วต้องสิบกว่าอย่างนะฮะเป็นเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาทั้งนั้นเลยก็นำมาศึกษานำมาพิจารณาเพื่อดึงจิตเข้าสู่ความสงบตรงนี้ทั้งหมดเดกก็เรียกว่าอารมณ์ อารมามณูปนิชานคือเพ่งดูตัวอารมณ์เรานั้นแล้วก็แนวหนึ่งนั้นเป็นรูปผลคือจิตที่มีความตั้งมั่นลดหลั่งกันขึ้นไปโดยลําดับระดับแรกท่านียกว่าปฐมฌานคือจิตที่สงัดดังกล่าวแต่ในขณะนั้นมันก็มีวิโตคือความตรึกวิจาร์คือความตรองปิติคือความเ อ, อิบอิ่มสุขคือความสบายกายสบายใจและเอกกาตาคือจิตที่มีสมาธิ แต่ความสึกนึกนั้นจะเป็นกุศลนะครับพอไปถึงจุดหนึ่งระดับที่สองนั้นมันมีแต่ปีติสุขกับเอกขาตาวิตกวิจาร์ความสึกนึกก็หายไปจิตมันก็นิ่งตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าพระหรันทั้งหลายเวลาท่านต้องการพักนะแล้วก็เข้าฌานมาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ฌานที่สองเนะี่ยก็เรียกว่า ให้กายได้พักผ่อนจิตได้พักผ่อนแล้วมันเสริมพลังทางกายดย้วยเวลาพักก็พักจริงพลังต่างๆก็ทํางานได้มากร่างกายก็ก็ะปรีกปร้กรเปร่าคึ้กละปรี้กอนัดก็น้อยนะแต่จริงท่านท่านท่า น, ท, า น, ท, านท่านอยู่ในสมาธิเราสามารถกําหนดระยะเวลาได้ว่าจะพักสักเท่าไหร่จะอยู่สักเท่าไหร่ ที่เคยพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ถึงก็นอนหลับอย่างที่เราคนเราไปหลับก็เรียกสีหส์สยญาตก็นอนโดยสมาธิคือหลับโดยสมาธิหลับ้ดยฌา น, นนะ่ยนะฮะมันก็เท่นท่านเรียกเย ก, กรรมวาลีว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารคือการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันพอปฏิบัติเลยไปก็ถึงจุดที่สามคือปีติมันก็สงบไปอย่างเรือเต่สุขกับเอกคตา สุขก็คือความความสุขที่มีแรงเสวยน้อยลงนะและความสงบก็จะหนักแน่นมากยิ่งขึ้นพอถึงจุดหนึ่งแม้แต่ความสุขรู้สึ ก, กว่าตัวเองสุขหรือรู้สึ ก, กว่าเป็นสุขมันก็หายไปยังเหลือเบเกขาคือปัญญาที่เพ่งพินิษกับสมาธิตรงนี้ตามปกติแล้วถ้า แต่จะเดินไปอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่จริญเป็นปรสนาเราจะเจริญกันตรงนี้แต่ทีนี้ถ้าท่านต้องการเป็นสุขในฤาษีทั้งหลายนี่ยคือพวกสมาธิมันมีมังแต่โบราณกาเนี่ยคุณเจ้าเองก็ไปเรียนสมาธิมาจากสำนักของอลาดาบดกาลามโคตรทุกดาบุตรรามาบุตรเราดูเราย้อนในชาดกที่เราเคยเรียนมาเราจะพบว่าเราก็เจอเรื่องสมาธิดุสีเข้าชาดสีอยู่ในชาติ ก็เป็นวิธีที่ท่านอยู่เป็นสุขของท่านในปัจจุบันแต่วิธีการตรงนี้มันถ้าติดมันก็ยุ่งไงนะเพราะถ้าก็ติดอยู่ในป่าท่านก็หาความสุขส่วนตัวของท่านกินผลหมากรากไมอ้อ่ในป่าในดงแล้วท่านก็แก่ลงทุกวันแล้วท่านก็ตายไปก็เป็นหาความสุขให้แก่ตัวหาประโยชน์ให้แก่ตัวเองไม่ถึงก็บชเหลือเกือกูลอะไรแก่สังคมได้ เพราะมันจะติดอยู่ในตัวความสุขหล่านั้นไม่ไม่ไม่ไม่ต้องการจะกระทบอารมณ์อะไรมาเวลาไปเจออารมณ์รุนแรงเข้าจะรำคาญนะจนกลายเป็นอาการอย่างหนึ่งที่ก็เรียกว่ากรรมฐานขี้โกรธสะดดขี้คอนะหมาความว่าจิตใจท่าน อ, อนแอจิตใจท่านอดแอมันมันไม่กระทบของหนักๆท่านก็พักกันท่านเรื่อยท่านก็สงบกันท่านเรื่อย เวลาไปกระเทบแรงๆก็เสื่อมได้ง่ายหมายความว่าตรงนี้ถ้าต้องการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันคนที่ต้องการความสุขในปัจจุบันก็ข้าสมาธิตัวนี้แล้วรหรือแม้แต่พระรยบุคคลทั้งหลายที่ท่านมีสมาธิตรงนี้ท่านก็พักโดยสมาธิตรงนี้แต่ท่านก็ไม่ติดอยู่ที่สมาธิเพราะาในความเป็นสมาธิตัวสุขก็ดีตัวสงบตัวนิ่งนะฮะสงบกับนิ่งเนี่ยส่วนมากเราจะติด นั่งสมาธิหน่อยก็ไปติดอยู่ที่นิ่งติดอยู่ที่นิ่งก็ก็อยู่ตรงนั้นแหละกิ่ทีกี่ก็อยู่ตรงนั้นทุกทีมันก็สงบจริงอะนะสงบจริงเพียงแต่ว่าเวลาของชีวิตเราก็สูญสิ้นไปด้วยโดยไม่ได้เพิ่มสาระประโยชน์อะไรที่ควรจะได้มากกว่านั้นเสรวนะความดีมันก็ดีแต่ดีระดับเป็นสุขส่วนตัวในปัจจุบันพวกฤษีข้าวชานพวกอะไรต่ไเนี่ยนะ ว่าแนวยันท์เค ย, ยกตัวอย่างให้ฟังว่าแนวของพุทธมันที่จริงมันก็คือแนวที่เพิ่มเพิ่มขึ้นจากแนวคิดโบราณแนวของพุทธก็คล้ายๆกับราชกุมารที่เข้าป่าเพื่อมาสู่เมืองนะฮะเข้าไปศึกษาการุษีในป่าเพื่อมาอยู่ในเมืองแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลแกอนาประชารัติรสมาธิแนวพุทธก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเข้าความสงบก่อนก็เข้าป่าก่อนนั่นแหละ แต่ในที่สุดก็ออกมันไม่ได้อยู่อย่างฤาษีฤาษีก็อยู่อยู่ติดอยู่ในป่าฤาษีก็อยู่ในดงในป่านั่งสมาธิจนหนวดหมองไปเลยอ่ก็ว่ากันไปแต่ว่าในระดับที่จะทำมาสุขท่านก็ได้นะท่านก็ได้รับความสุขเพียงแต่ว่าได้ทําประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักประโยชน์คนอื่นก็ได้น้อยเพราะท่านอยู่ของท่านในป่าคนเดียวแนวที่สองแนวที่สองที่เรียกว่า เพื่อญาณทัทสนะปฏิลาภะปฏิลาภะคือการได้เฉพาะเจาะจงซึ่งตัวญาณทัทสนะคือความรู้ความเห็นตามความจริงนั่นก็คืออะไรก็คือคือการใช้เขาเรียกอาการสกศิที่พิพุทธเจ้าสอนพระโมคคลลานะนะฮะไปสอนพระโมคคลลานะสอนให้มองกลางคืนกลางวันเหมือนกันหมายความกลางคืนก็คือกลางวันกลางวันก็คือกลางวันมองโลกเป็นสว่าง เรียกอะโลกะกสินคือมองให้เห็นเป็นแสงสว่างแล้วทําตัวเป็นคนตื่นตลอดต่งพิจารณาตึงแสงสว่างเหล่านั้นจนจิตมันนิ่งเหมือนกันในจิตมันก็สงบมาก่อนแต่ว่ามันจะเกิดเป็นพวกของนิมิตต่างๆที่ปรากฏขึ้นภายในจิตทําให้รู้เห็นสิ่งทั้งหลายว่ามันเป็นกระบวนการธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็สิ่งต่างๆมันปรุงขึ้นเรียกว่าเป็นเกิดเป็นปฏิภาคนิมิตปรุงอย่างนั้นปรุงอย่างนี้ปรุงอย่างโน้นได้ที่จริงมันจิตมันปรุง จิตมาปรุงเอาทางนั้นเองแล้วก็ทําปโดน้อมมาเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายที่รักที่ช่างที่สวยไม่สวยหอมเมหม็นในใจต่าง ๆ, ๆที่จริงเราปรุงมาเองมันมันไม่มีอะไรสากลญสักอย่างนะเราสังเกตว่ารูปสวยมีจริงไหมมันก็ไม่มีจริงอะ่ะมันอยู่ที่ใครชอบใครไม่ชอบของอร่อยมีจริงไหมมันก็ไม่มีจริงหอมมีจริงไหมมันก็ไม่มีจริงไม่มีจริงสักอย่างเดียวเพียงแต่ว่าใจมันปรุงออกใจปรุงว่าสวยก็นก็สวยสมบูรคนนั้น หอมก็อร่อยหอมสมบัติคนนั้นอร่อยมันก็อร่อยสมบัตคนนั้นเพราะนั้นอาหารที่คนหนึ่งอร่อยกินอย่างเด็ดอร่อยคนหนึ่งยังไม่กล้าแตะเลยเห็นไหมฮะไม่กล้าแตะเลยก็แสดงว่าจริงๆไม่ใช่สากลหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่มีอยู่อย่างสากลแต่ไม่อยู่อย่างมายามีอยู่อย่างด้วยจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นมันคิดนึกเอา ก็อย่างที่ทรงใช้คำว่าจิตกําหนดด้วยความกําหนัดความกําหนัดมันก็เกิดขึ้นสำหรับคนนั้นแต่ไม่ใช่สากลไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องกําหนัดจิตกําหนดด้วยความขัดเครื่องจิตใครกําหนดละ่ะก็จิตคนนั้นกัดกัดเครื่องจิตคนอื่นไม่ได้ขัดเครืองตามไปด้วยคือสรุปไม่ไม่สากลเมืาะผีกันหนาวก็ร้อนเห็นไหมหนาวร้อนเนี่มันสากล น, นะพอหนาวเกิดปั๊บมันทุกคนก็ต้องหนาวแล้วร้อนก็ร้อนก็สากลเค็มก็สากลเห็นไม้มพวกนี้มั น, มน มันสากลแก่สากลเจ็บสากลตายสากละเกิดแก่ตายนะฮะไม่จะเจ็บเจ็บไม่ไม่จะสากล น, นะเกิดแก่ตาย น, า น, นี่สากลในความมั่นต้องมีแก่ชีวิตทั้งหลายส่วนจะเร็วจะช้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่นอนทุกคนคือแก่คื อ, ค, อคือเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องตายนั้นก็คือสิ่งที่ไม่ใช่สากล แต่ท่านถ้าท่านท่านมองจากอากาศให้ลองสังเกตว่าอากาศเนี่ยที่จริงมันเป็นอารมณ์ของฌานคือพวกอากาศสกัดสินแล้วก็เข้าไปสู่สู่อากาศสานัญจายตนะเป็นอารูปคือสิ่งทีต่ตัวอากาศที่จริงมันค่อนทั้งรูปนะฮะข้อทั้งรูปแต่ว่ามันเป็นกายสัมผัสเพะนเมื่อเมื่อเมื่อมองให้ว่างให้เปล่าให้โล่งแล้วใจมันจะเริ่มคลายการกําหนด เป็นของเราเป็นเราเป็นเรวเป็นตนของเราเนี่ยจะเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่มีอะไรอยู่จริงนะเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่ท่านเรียกว่ายาถาปัจจยังแปลว่าตันติสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็มันจิตใจของท่านก็จะมายึดมั่นถือมันที่จริงก็คือรู้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นชัดเจนมากจริงขึ้นแล้วก็ไม่เาจริงไม่จังอะไรกับกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งว่ากันตามหลักแล้วเมื่อไปถึงจุดหนึ่งท่านก็บรรลุมัมกผลทุกข้อนั่นแหละฮะแต่หมายความมาตัดต่อนในดูว่าตอนตรง น, นี้มันมันมันจะเกิดตรง น, นั้นตอนนั้นจะเกิดตรง น, นั้นก็ตอนน่อกันไปนี่ก็เรียกว่าเพื่อได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะนะคือความรู้เห็นเรื่องความจริงของสิ่งเหล่านั้นเพราะในแง่ของความจริงแล้วเนี่ยท่านท่านท่านท่านถือว่าเป็นเพียงรูปนามแล้วรูปเองมันเป็นการเกาะกลุ่มนะรูปเองมันเป็นการเกาะกลุ่มกันด่า น, นั้นเอง รูปพอย่อยสลายมันก็กลายเป็นเป็นไม่ใช่รูปก็เป็นอย่างที่มันเป็นก็เป็นการก่อคุงของอะไรก็กลายเป็นสิ่งนั้นและสิ่งนั้นเองพอย่อยไปอีกมันก็อีกก็เพื่อจะถ่ายถอนถ่ายถอนความยึดมั่นหรือมั่นหลงยึดติดในสิ่งทั้งหลายแล้วก็แนวว่าเรียกว่าญาณทัศนะคือความรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่กรอบของความรู้เห็นตามความเป็นจริงในความหมายของท่านเนี่ย คือหมาความว่ากิเลสเราต้องลดถ้ากิเลสไม่ลดก็ยังไม่ถือว่ารู้เห็นนาความเป็นจริงจะเป็นได้ด็อกเตอร์เป็นกี่ปริญญาก็ตามนะก็ยังไม่ถือว่ารู้เห็นนาความเป็นจริงมันก็สอบคล้องกันหมดเหมือนกับ <c oughs> พวกภาวนามยปัญญาพวกปานะไอพวกปานะปริญญาที่เคยพูดไว้เนี่ยปานะปริญญาก็คือความรู้ที่ <c oughs> รั่วชั่วก็ะละได้รั่วดีก็ประพฤติปฏิบัติได้ก็ภาวนามายปัญญาก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากสัมผัสตรงมหมายความว่าลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดสัมผัสผลโราดนันขึ้นโดยการลดการจางการคลายของกิเลสและการเพิ่มขึ้นแห่งธรรมะเ่านั้นประการต่อไปนั้นเป็นการเพิ่มพูนสติสัมมยัญญา ก็เป็นหลักการปฏิบัติท่านเห็นว่าสติสมัมปจนญาความเพียรเป็นสูตรที่ใช้ทุกกรณีมาความประเภทแรกก็ต้องอาศัยสติสมัมปจัญาความเพียรประเภทที่สองอาศัยสติสมัมปจนญาความเพียรประเภทนี้เน้นที่การเพิ่มขึ้นของสติสมัมปจนญาโดยให้ตั้งสติฝึกคือเรามองดูคล้ายกับอะไรอะ่ะคล้ายกับที่ที่นักมวยมันต่อยอะไรลูกที่มันกิ้งกิ้งกิ้งเนี่ย คือคือคือมันสติมันต้องดีมากกันนะฮะหมายความว่ามือช้าไปนิดเดียวเนยมกตีหน้าผากเอานั่นคือวิธีฝึกสติวิธีฝึกสติของเขาหรือว่าการการนับอะไรที่เร็วแล้วก็นับทันเนี่ยนะฮะนั่นคือการฝึกสติเราแสแดงว่าวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่เราใช้กันอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเอามาจากข้างนอกซึ่งมันก็รุงรังไงนะฮะการเรียนโดยใช้อุปกรณ์ข้างนอกในรุงรัง ปุจจ ա ทรธรรก็สอนให้มองดูสามสมอย่างภายในใจเราอาการ3ามอย่างภายในใจเราที่เชื่อที่จริงพวกนี้จะเรียกว่าเจตสิกแล้วมันเองเนี่ยตัวมันเองนะฮะมันมันก็เป็นกลางกลางหมายความว่าตัวตัวเวทนาตัวสัญญาตัววิตกสัญญาเวทนาวิตกให้ดูตรงนี้ท่านท่านจะเห็นว่าสัญญาเนี่ยมันเกิดดับเร็วเวทนาก็เกิดดับเร็วแล้วก็ดับต่อเ น, นื่องไปเลย แลววิตกับมอนกันเกิดนับเปลี่ยนแปลงไปก็จริงๆงก็ดูอันใดอันหนึ่งก็ได้นะให้เห็นชัดสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะเห็นอย่างอื่นเป็นการฝึกสติจะดูที่ตัวเวทนาสามจังหวะดูการเกิดขึ้นของเวทนาดูการตั้งอยู่ของเวทนาดูการเปลี่ยนแปลงของเวทนาเช่นสมมติว่าเรานั่งแล้วเมื่อยเนี่ยก็เพ่งดูที่เมื่อย ดูมื่อที่เมื่อยเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเมื่อยนี่ที่จริงมันมันก็ขึ้นมาก็ลงมาก็ปรับมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วจากเมื่อยจากไม่เมื่อยจนเป็นเมื่อยแล้วก็เมื่อยก็เปลี่ยนแปลงในความเมื่อยไปเรื่อยๆจนถึงหายเมื่อยแล้วก็ตั้งตัวขึ้นมาใหม่มันก็เริ่มเมื่อยต่อเปลี่ยนแปลงไปตั้งสติระลึกรู้อยู่ตรงนั้นแล้วก็จะเห็นว่าเวทนาก็อื่นไปจากตัวมันอื่นไปจากตัวเราเพียงแต่ว่าเราไป มันไม่ได้อยู่กับตัวเราอะ น, นะฮะไม่ได้อยู่กับตัวเราแต่มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยนั่งให้เมื่อยก็ได้นั่งไม่เมื่อยก็ได้อะเมื่อยเร็วเมือ่อยช้าก็ได้เมื่อยมากเมื่อยน้อยก็ได้ก็สแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆท่าทนั่งของเรา ả? ตลอดถึงสุขภาพพร า, านาไมยความคุค้นเคยอะไรต่างๆมันมันมันจะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย แล้วตามปกติคนเราไขว่คว้าตัวสุขเวทนาให้เราสังเกตนะเราไขว่คว้าสุขเวทนาต้องการสุขนะะต้องการสุขหรือสุขที่เราต้องการที่จริงเป็นสุขเวทนาเป็นการเสวยต้องการจะเสวยความสุขตอนนั้นก็ใจใจก็จะไขว่คว้าไปเรื่อยจนถึงความสุขในระดับต่างๆนะในในชีวิตของเราเนี่ยความสุขจากการดูการฟังการเที่ยวการดมการกินการลิ้มอะไรเราก็แสวงหาแสวงหาความสุขจากเรื่องเหล่านี้ จนถึงกับความสุขในสัมภาราภพภายภาก า, าความสุขจากการบังเกิดในสวรรค์จากการอยู่ในสวรรค์วิมานมีเทพประบุติมีเทพปีพปดามีอะไรแต่ละยุยะไปเนี่ยเรว่าไปจนนึงความสุขในระดับพรมแล้วก็เรื่อยไปจนถึงความสุขนผานตรงนี้ทรงอุปมาว่ามันเหมือนกับบางทีเนี่ยคนอาศัยแต่ว่าอาศัยในลักษณะเป็นญาณผานะ เอาใส่ข้ามฟางหมายความจริงๆนิพานมันต้องอาศัยความอยากนะฮะนิพานอาศัยความอยากแตจะบรรลุนิพานถึงจะเกิด น, นิพานขึ้นมาได้แต่พอถึงนิพานมันต้องทิ้งความอยากเพราะถ้ายังอยากอยู่มันก็ไม่เป็นนิพานคล้ายๆกับเราอาศัยเรือข้ามฟากในขณะที่ยังไม่ถึงฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องอาศัยเรือแต่พอจะขึ้นฝั่งเราก็ต้องทิ้งเรือ ลักษณะการบัติตรงนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะวันเวทนาสุขเวทนาเนี่ยเราจะเห็นว่าบ ก, ก็ที่อาศัยเรื่อยๆเราอาจจะพูดว่าล่อ ด, ด้วยสุขเวทนาก็ได้ตไแต่ทำไปแต่ฮะมันใกล้ๆอ่อยเยือ่อให้ตามไปเรื่อยๆแนวของอะไรแนวที่เห็นได้ชัดก็คือแนวของนุบุปีกถาเห็นไหมนุบุิกถานะคือแนวแนวที่ให้อยากได้ความสุขแล้วก็ทิ้งสุขตรงนี้ไปคว้าสุขตรงนั้นทิ้งสุขโดน้าไปเรื่อยๆโดยสแสดงเหตุเพียงสองเหตุตัณหคือ่านกสิน นะทานศีลแล้วก็ต่อไปว่าทําทานดีศีลดีจะบังเกิดในสวรรค์นะบังเกิดในสวรรค์ว่าสวรรค์ประโยชนย่อยเลยก็เกิดสุขเวทนาเราอยากได้สุขเวทนาตัวนั้นแล้วก็ในที่สุดก็แสดงว่าไอ้สวรรค์เองมันก็ไม่เที่ยงไงไม่เที่ยงแท้ไม่อย่งยืนแปรผันมีโทษเยอะเหมือนกันเทวดาก็รบกวนบุตรลุดเหมือนกันแะไม่รบเฉพาะมนุษย์คนบุษนนะ์ในที่สุดก็แสดงกรมอถีโนคือโทษดวงกาไม่เห็นดวงกาไม่เห็นว่าไอ กามาสุกนี่มันมันกามในโลกมนุษย์กามในสัตว์ในสารกามในในในสวรรค์ก็คือก็คือก็คือการนั่นแหละและจะหาทางออกให้เพื่อจะหนีนะฮะเพื่อจะหนีแล้วก็จิตมันก็ดิ้นจริงๆก็ไปสู่นิพพาก็ต้องการความสุขในนิพพานแต่พระเอ็นมะเวทนาเหมือนกันนะจริงในความสุขกว่านิพพานก็สอนเข้าทางคืออริยสัจนั่นก็คือแนวแล้วก็เห็นก็คล้ายอ่อยเหยื่ออย่างนี้ก็ว่าอ่อย ออเยือบมัก็อ๋อเยือก็ได้นะฮะว่าจริงๆไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าไม่ให้ยึดติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเพราะนั้นเราก็มาดูเวทนาเพราะคนเรารู้สึกว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนามีอยู่ในตัวในตัวคนเราเราเปลี่ยนแปลงไปตามเวทนานี่เยอะก็ดูเห็นว่าเวทนาที่จริงมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยที่เขาว่าสุขมันไม่ใช่สากล อ, อีกและมันก็เหมือนเรื่องเดียวกว่าสุขไม่ใช่สากลทุกข์ก็ไม่ใช่สากล หรือว่าแม้แต่กลางๆ ก, งก็ไม่ใช่สากลก็จะมองเห็นกระบวนการของเวทนาว่ามันมันมันเป็นกระบวนการก็ธรรมชาติแต่จะเห็นว่ามันเกิดมาจากอะไรถ้าสาวลึกๆจริงๆนะท่านสาวลึกจริงๆว่าเกิดมาจากเราเกิดมาโทษของวัตถะสํานวนสมนวนดีเหมือนกันคือโทษของวัตถะนี่ที่จริงถ้าเราไม่เกิดมาเราก็ไม่มีอะไร แต่มันยุ่งๆกัพอเราเกิดมาท่านนั้นเนี่นั้นคือสาวไปถึงไปถึงค่อนข้างลึกนะฮะแต่ยิ่งเกิดมันก็เป็นผลนะฮะผลมาผลมาจากกิเลสอีกเทียวหนึ่งผลมาจากกิเลสมากักกรรมเอ่อตรงนี้จะเห็นว่าเวทนามันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเรามีอายตนาภายในภายนอกมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจข้างนอกก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีเย็นร้อนนองแข็งแล้วมีอารมณ์ทีนี้ถ้ามีเฉพาะเท่านั้นมันจะเกิดอะไรมามันก็ไม่เกิดอ่ มันต้องการประกอบกันคือตาต้องเห็นรูปเป็นต้นมันจึงเกิดขึ้นมาเป็นรูปของวิญญาณถาม่าตรงนีออ้มันจะมีอะไรไหมถ้าเราไม่สนใจมันก็ไม่มีอะไรเห็นไหมถ้าเราไม่สนใจก็มไม่มีอะไรเพราะจริงๆเรากระทบตลอดอย่างร่างกายเราเนี่นกระทบเย็นร้อนอยู่ตลอดฮนะหูเราก็ได้ยินเสียงอยู่ตลอดถึงเบาเสียงหนักเสียงอะไรแต่รายม่รู้ให้ลองสังเกตถ้าเราไม่สนใจมันก็ไม่มีอะไรเพราะงั้นตรงนี้มันเกิดจากการสนใจ พอสนใจก็เกิดเป็นการกระทบกันระหว่างอวัตนะภายในภายนอกวิญญาณเขาเรียกว่าสัมผัสในจุดสัมผัสเนี่ยถ้าเราวางตรงนั้นมันก็ไม่เกิดเวทนาอะไรไม่เกิดไม่ไม่เกิดสุขไม่เกิดทุกข์อะไรทีนี้พอเกิดปั๊บเนี่ยถ้าเราไม่ยึดนะฮะเราก็ว่างมันก็จบช่างเขาเช่นเมื่อเขาด่าช่างเขาเห็นไหมมันก็จบละไม่มีไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีทุกขเกิดเวทนาเมื่ผ่านกระบวนการจริงแต่ว่าระวางเลยเราทิงเราสัมผัสปราทิงเลย เราก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องเหล่านั้นดังนั้นถ้าถามว่าเวทนาของพระพุทธเจ้ามีไหมก็มีนะพระพุทธเจ้าก็มีพระเจ้าก็ปวดก็เมื่อยเหมือนกันก็เจ็บเอวเจ็บหลังเหมือนกันนะก็คนนี่ยนะะแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ยึดไม่ยึดตัวเองก็เวทนาเขาท่านก็สักแต่ว่าเวทนาเพื่อทรงตรงนี้ทรงสอนให้ฝึกสติให้ระลึกแต่จริงๆเน้นที่สติดูนะเน้นที่ต้องต้องการสร้างสติเราให้ และต่อไปไปเจอเวทนาอะไรก็จเฉยๆตัวเวทนาทั้งหลายไม่เอาเรื่องอาราวมันก็เกินไปนะไม่ไม่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเกินไปเนื้อหนึ่งคือเนื่อสัญญาความจําความจําการเกิดขึ้นค้ามจํามันมันก็เป็นกระบวนการนะเราเราเห็นว่าสัญญาเองมันก็ต่อจากตรง น, นั้นมาหมายความว่าเรามียานตาภายในมียานตาภายนอกมันก็เกิดสัมผัสอารมณ์จดดีรูปฟังเสียงนี่เพราะสิ่งนี้เราจํามันก็เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้นอนนองแข็ง เป็นอารมณ์เท่านั้นเองมันมีหกอยาก่างไม่เราไม่มีสิ่งที่เจ็ดนะฮะเรามีสิ่งแค่แค่หกอยาก่างแต่นั้นเองหกกลุ่มทีนี้ตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นพอเกิดกระทบข้าวมันก็เป็นสัมผัสพอสัมผัสมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์เพราะไอ้สุขทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราที่เราสเสบยผลเราดันเราก็จําตรงนี้ไว้เห็นไหมฮะความจําของเราจําหมดไปเช่นสมมติเราจําคนเนี้ย จำรูปร่างหน้าตาจำเสียงจำความดีความชั่วจำอะไรต่วอะไรเขาเยอะแยะเลยและรู้สึกชอบไม่ชอบเอานะอาการชอบไม่ชอบนั้นมันเกิดจากเราปรวัสดเปทนามาก่อ น, นเพราะคนนี้เคยทําดีกับเราเคยนี่ก็ทําชั่วกับเราเพราะฉะนั้นพอพอได้ยินปั๊บเนี่ยใจมันก็เกิดมาจากตัวสัญญากับเวทนาพวกนี้เขาเรียกว่าปรุงจิตเรียกว่าจิตตสังขารคือมันเกิดขึ้นปรุงจิตเพราะฉะนั้นคนบางคนที่เราไม่มีสัญญาอยู่เราไม่รู้สึ ก, ก ไม่รู้สึกยินดียินได้แต่บอกคนนั้นจะมาเราไม่รู้เรื่องไม่มียินดียินได้เลยเพราะเราไม่มีสัญญาเราไม่มีสัญญาเราไม่มีเวทนากับคนนั้นเราไม่เคยสุขเคยทุกข์เคยยินดียินได้คนนั้นเราเราไม่รู้สึกอะไรไม่ว่าคนนั้นจะใหญ่โตยังไงนะฮะไม่ว่าคนนั้นจะใหญ่โตยังไงก็ตามอันี้ก็คือก็ก็ก็คือลักษณะของความรู้สึก ควารู้สึกที่มันสืบเนื่องมาจากตรวนี้สืบเนื่องมาจากว่าสิ่งนั้นเราต้องสัมผัสเราเคยเป็นเบทนามาแล้วแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นใจมันก็จําไว้ทีนี้ความจําเราจะเห็นว่ามันก็เหมือนกับที่พูดที่พระเจ้าทรงประมา ก, การเทศการฝังเทศของคนนะฮะฝังเทศแบบของวางวางไว้ข้างหน้าแบบของวางไว้บนตักแบบของวางไว้ในชายพก ต่อมานั้นคนนุ่งจงกระเบนเนี่ยนะก็ <c oughs> อุปมาชายพกสมัยนี้ก็ใส่กระเป๋าก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันเราจะเห็นลนักษณะของสัญญาว่าคนฟงังฟังของแบบของวางวางไว้ข้างหน้าเนี่ยพอรู้ขึ้นนะยังยังฟังเทศไปแล้วพอออกไปจากห้องภาถาพราพระเทศเรื่องอะไรเออนั่นสเออิเรื่องอะไรไม่ลืมจะนะอันนี้เองว่าสัญญาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงมันดับก็ฝึกดูไอ้สัญญาเนี่ยมันดับ มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับกิดดับตลอดเลยและสิ่งที่มีความต่อเนื่องได้ก็คือสัญญาที่เราทําบ่อยๆพูดบ่อยๆอ่านบ่อยๆคิดบ่อยๆฟังบ่อยๆเท่นั้นเองที่ทรงใช้กับว่าอัศจรรยมลาทมลตาบุญที่มีการไม่ท่องบดเป็นบทชินหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องทําบ่อยๆก็ทรงสอนให้ดูว่าสัญญามันเหตุเกิดกับสัญญาความตั้งอยู่ของสัญญาความเปลี่ยนแปลงกับสัญญาความเปลี่ยนแปลงอยู่ตั้งแต่ดับนะ <and> <ement> ตรงนี้เป็นเป็นสูตรเห็นไหมเป็นเป็นมิปัสสนาที่ส่งสอนเกิดข <im pod ambos breathing> <us> ึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือเกิดแก่ตายนั่นเด็กแต่ว่าพอดีพวกนี้มันเป็นนามธรรมก็ไม่ได้พูดเกิดแก่ตายพูดแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่นี้ดับไปเนี่ยมันก่อจะช้าเราก็ดูที่เปลี่ยนแปลงที่จริงก่อนจะเกิดถึงดับเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในทุตขณะเพราะงั้นดูดูตัวความเปลี่ยนแปลงก่อ ฝึกสติฝึกระลึกรู้อยู่ป่อยๆจะเป็นคนมีสติเร็วทำอะไรเร็วนะฮะเช่นสมมติว่าคึก ค, คิดเร็วทำเร็วพูดเร็วเนี่ยมันมันจะทำอะไรได้เร็วแล้วเราก็ใช้เวลาเท่ากันแต่ว่าคนเหล่านี้เขาจะทำได้มากกว่านะอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีสติก็เรียกว่าสติที่สมบูรณ์เต็มที่นะฮะรับสั่งเร็วกว่าพระอานนท์คิดคิดช่วงไงนะสมมติว่ารับสั่งพระเจ้าเทเแล้วเอามาลอกเทพเนะี่ย อัดเทไปไวทั้งสององค์ทังพระอนุนพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะพูดได้เร็วกว่าพระอานุนสิบหกส่วนสิบหกส่วนนะสิบหกเท่าแล้วพระอนุพนอนนะะ์พูดเร็วกว่าคนอื่นแปดเท่านะพูดเร็วกว่านั้นดิก็แสดงว่าเร็วมากสติเร็วมากแล้วก็พูดไม่พลาดไม่พลาดไม่เพลินนั้นก็เป็นลักษณะการฝึกฝึกมาจากอะไรก็ตาม เรื่นี้ก็ส่งสอนให้ฝึกให้เราสังเกตกว่าสิ่งที่พระเจ้าส่งสอนเป็นครูเราไม่ได้เอามาจากอะไรเลยไม่ต้องลุงรังไปไหนก็มีครูอยู่ในตัวล้วมีเราเรามีสัญญาของเราเรามีเวทนาของเราเราก็มีข้อต่อไปคือวิตกวิตกนั้นที่จริงแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นวจีสังขาร น, นะนะวิโตกระเป็นวจีสังขารคือหมายความว่าเราคิดก่อนพูดเราต้องตรึกเราต้องนึกซะก่อนยังจะพูด วิตกก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าวิตกเราเอานิยามไม่ได้เลยดีบ้างไม่ดีบ้างคิดนึกไปสารพัดแต่ความคิดเราจะถ้าสมมติว่าคิดออาไปตัวเลขได้นะฮะว่าว่า1นชั่วโมงเเราคิดเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมั่วไปหมดนะมั่วไปหมดเลยสับสนไปหมดดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็ไม่เป็นระบบนะฮะให้เราสังเกตว่าความคิดไม่เป็นระบบ ดังนั้นท่านก็สอนให้ดูในที่นี้สอนให้ดูเพ่งดูในแนวที่ของความเกิดดับความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปทีนี้วิตกมันเกิดมจากไหนมันก็ต่อมาอีกเห็นไหมฮะต่อมาอีกตัวเนี้อัญญตะภายในอัญญตาภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาสัญญาสัญเจตนาสัญญาความจําสัญเจตนาคือเหนียวนึกตึกนึกมันก็กลายเป็นวิโตกวิจารณถามวิตกวิจารเรื่องอะไรวิตกวิจารณ์เรื่องที่เราจํา ถ้าถามมาเราไม่จํำมาเลยคิดได้ไมาคิดไม่ได้นั่นคือกระบวนการของจิตเป็นการศึกษากระบวนการของจิตงานของจิตที่เคยพูดไว้ที่จริงนายไปถามท่านว่าเยอะนะฮะแต่เราเอาสักสี่อย่างก็เยอะนะหมายความว่าการรับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสที่เราเรียกว่าวิญญาตแล้วการจําเรื่องเหล่านั้นเอาไว้ที่เราเรียกว่าสัญญาการคิดเรื่องเหล่านั้นที่เราเรียกว่าจินตนาหรือเรียกวิจตกก็ได้ เราคิดแล้วก็เกิดความรู้ที่เราเรียกว่าปัญญาแต่ความความรู้มัีหลายระดับอีกนะมีหลายระดับก็เรียกออกไปตามตามสิ่งที่เราจำเราจำได้ลึกซึ้งขนาดไหนเนี่ยท่านก็เรียกอย่างนั้นแต่จริงๆก็เรื่องเดียวกันนะนะเพียงแต่ ว, ว่าจําได้มากได้น้อยจําได้ลึกได้ตื้นนะจำได้ทุกแง่ทุกมุมหรือจาได้บางแง่บางมุมท่านก็เรียกต่างเรียกไปต่างกันออกไปเพราะวิตกนั้นเป็นความตรึกนึก ที่เราจะเห็นว่ามันจะตกอยู่่วนใหญ่จะตกอยู่ในสองกระแสใหญ่ท่างเรียกว่ากุศลวิตกอกุศลวิตกุกคือความตรึกนึกในแนวของกุศลและความตรึกนึกในแนวที่เป็นอกุศลตรึกนึกในแนวอกุศลมันคือคืออะไรมันจะออกมาจากแรงของโลภแตะ่จะออกมาจากสายความโลภ ก, ก็สายความโกรก็สายความหลง ความหลงที่จะเรียก ว, ว่าวิงสาวิตกคือความตึกนึกด้วยโดยความคิดในทํานองเบียดเบียนในทํานองปฏิสร้ายอย่างที่คือยกตัวอย่างให้ท่านหลายฟังในวันก่อนว่ามันใล้ยๆสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ที่มันเกิดการเบียดเบียนเกิดการวปฏิสร้ายการดุนแรงนะเมื่อคืนนดูข่าวท่านอะไรละมะไปพบรัฐมนตรีกล า, า ง, ต, างต่างต่างประเทศที่รั ม, มัน คือเราเห็นว่ามันมันลักษณะของการการคล่องวัตถธรรมท่านอะไยรรมท่านมีธรรมเนียมนะท่านนี้ให้เกียรติอย่างสูงก็คือภาคขาวที่เก็บไปอย่างดีเนี่ยต้องเอามาจัดมาสวมคล้ายๆมาไหลแต่ว่าการทำเยอ ร, รมันเนี่ยไม่ได้ไปสวมก็อย่า ง, งนั้นไม่ได้คือคือไปเล่นหัวเขาอะนะะไปเล่นหัวเขาบางคล้องหัวเขาเนี่ยในขณะที่เราคิดว่าเราเป็นสิริมงคลแต่เขาไม่ได้คิดเพรา ะ, ะน้นแกจะรีบรับแกจะรีบดึงออก เ, เลยพอเริ่มเยื้สวมเนะี่ยแกรีบดึงออก เ, เลย เขาก็เขินกันปวดสมขวรนะแต่ในขณะเดียวกันจีนก็ตีเยอรมันทันทีได้เราเห็นภาพถึงความริษยาความเบียดเบียนต่างๆที่มีอยู่ภายในใจคนแล้วเยอรมันก็ชนจีนทันทีเหมือนกันเมื่อคืนชนจีนทันทีเหมือนกันแล้วดาร์ลามารี่ท่านขอแค่ว่าขอปกครองตัวเองแต่เยอรมันไม่ยอมต้องให้ยกเป็นอิสระอย่างที่เบียดมันเดิมเลย คงทะเลาะกันอีกนานนลนะฮะทะเลาะกันอีกนานนั่นแต่เราเราจะเห็นนี่แหละเห็นอาการของริษยาของจีนเห็นอาการเบียดเบียนของจีนที่ว่ามันก็มีอยู่ภายในใจคนว่าเห็นอันนี้ชักจะเด่นชักจะดังชักจะดีก็เลยก็ริษยาที่ถามว่ามันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากโมฆะมันเกิดมาจากโลภะที่มีอยู่ภายในใจของคนนะ่นนะะ แต่ก็ไม่ใช่จีนทั้งหมดเราก็หมายความมาโคศกโกศกผู้นําอะไรพวกนโยบายเยอรมันก็เหมือนการองค์เฉพาะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศหรืออาจจะเป็นนโยบายเ้านะเพราะจริงๆแล้วดาราะมะไปไหนในเพื่อนต่อต้านเพื่อต่อต้านมาเมืองไทยเราก็โดนตีเสน่วมเหมือนกันแต่ว่าการเยอรมันชวนไปเนี่ยแสแดงว่าต้องมีอะไรแต่บามืองก็สะท้อนนะสะท้อนอาการทางจิตคนวันนี้สิ่งที่เราเยมานึิดเนื้อมันเกิดจากความรู้สึก เห็นไหมดาราดามะมันก็มันก็จริงจริมันก็เป็นพระคนหนึ่งได้นั่นเองแต่เราไม่รู้สึกอะไรมันก็ไม่มีอะไรประเทศทั้งหลายเป็นประเทศในโลกนี้มันเป็นร้อยๆยประเทศทำไมคนอื่นไม่ด่าเลยทำ่มจีนอยากด่าอยู่คนเดียวเห็นไหมภาพมันชัดมากเลยว่านี่คือลักษณะอาการอังกิเลสอังกิเลส ก, ก็เป็นเรื่องของวิหิงสาความเบียดเบียนริษยาคนเห็นคนอื่นเจริญก้าวหน้าได้ดีได้ดีไม่ได้ จะร้อรู้สึกเดือดร้อนขึ้นเกิดขึ้นภายในใจเพราะงั้นความวิตกตึกนึกในแนวนี้มันก็ร้อนแต่การสอนนั้นส่งสอนให้ดูอาการเกิดดับของมันการเกิดขึ้นและการตั้งอยู่าการดับไปของวิตกเพื่อฝึกให้ระลึกทันนะนะระลึกทันอย่างที่บอกว่าเหมือนกับไอ้ลูกอะไรที่ ท, ท, ท, ที่ที่มนะือมวยเขาดูเนี่ยค่อนข้างชัดมากไอ้ลูกนั้นนะนะมันมันเร็วมากนะถ้าตํามือช้านี่เดียวมันก็ตีหน้าผากตั้งเลย ต้องต้องต้องฝึกไว้อย่างดีเป็นการฝึกสายตาฝึกความเร็วฝึกมือของตัวเองทําใจให้ประสานกันจนสํานวนอะไรล่ะสานวนการฝึกคนนี้ว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งหมายความว่าใจใจประสานกันใจประสานกันคนหลายคนเดืทํางานใจประสานกันก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวประการต่อไปนั้นเป็นการ ภาวนาเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายอาสะวะก็ที่จริงก็เป็นชื่อของกิเลส น, นะฮะแต่ว่าเวลาเรียกอาสะวะจะเรียกสี่ข้อบ้างสามข้อบ้างก็แล้วแต่ถ้าเรียกสี่ข้อก็เรียกว่ากามาสะวะแล้วภ ว, วะสะวะทิฏฐาสวะอวิชชาสะวะหมายความไเรียกกามเรียกภพเรียกทิฏฐิเรียกอวิชชาอาสะวะแต่ทีนี้ถ้าเรียกสามฮะจะไม่เรียกตัวทิฏฐิ เพราะอะไเพราะว่าทิฐินั้นที่จริงมันก็คือเป็นอาการการวิชาอย่างหนึ่งเท่านั้นเองก็เรียกว่าการมเรียกว่าภพรเรียกว่าวิชามันจะมีอยู่สามคำการมอสวะอสวะคือกรรมก็หมายถึงจริงๆหมายถึงตัวกิเลสนะฮะหมายถึงตัวกิเลสที่มีอยู่ภายในใจการมนั้นแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเรียกว่าวัตถุกรรมคือสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินนี่แหละสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินเขาเรียกว่าวัตถุการม แล้วก็กิเลสกรรมคือกิเลสที่มีอยู่ภายในใจเรากิเลสเป็นเหตุให้ไข่เกินความรักความพอใจความโลภความปรารถนาความต้องการปัญหาอะไรแต่อะไรเยอะแยะก็แล้แต่จะเรียกลักษณะใจที่ฝ่ายความปรารถนาแล้วกเก็บสะสมความรู้สึกตรงนี้เอาไว้ภายในใจมันก็กลายเป็นอาสวะแปลว่าหมักดองหรือห ม, มักหมมอย่างหนึ่งก็ภ า, าวนาอาสวะคือความเป็น ก็เป็นนั่นเป็นนี้เป็นโน้นตลอดถึงบังเกิดในพบในชาติต่างๆก็อยู่ในกลุ่มของภวัติศาสตร์แล้วก็อวิชชาตวิวัอ น, นิีโคตกิเลสทุกชีนะฮะเขาเขาต้องมียุทธ์แข่งที่จริงการปฏิบัติทั้งหมดและเราลองสังเกตว่าเป็นการตัดตอนเป็นการตัดตอนพูดเป็นตอนตอหมายความได้ตอนหนึ่งตอนนี้ก็ได้อย่างนี้ตอนนี้ก็ได้อย่างนี้ตอนนี้ก็ได้อย่างนี้แต่จริงมันจะไปสู่ตรงนี้ไปสู่ตรงที่วหมดสิ้นอาสวัตนั่นคือเป้าสูงสุด ทีนี้การการเจริญภาวนาเพื่อความสิ้นอสุวะหมายความว่าสิ้นกามมันสิ้นไปความรู้สึกอยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆมันสิ้นไปเพราะอวิชามันสิ้นไปเนี่ยโดยอาศัยการบัดยังไงก็ทรงสอนไปในเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องขันนั่นนะฮะเรื่องขันเพราะว่าขันนี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นภาพรวมท่านเราสังเกตฮะเวลาท่านรวมท่านรวมโลกทั้งปวงเป็นขัน เป็นขันห้าแต่นั้นเองนะฮะโลคทั้งปวงเนี่ยไม่มีอะไรน อ, นอกจากขันห้าในโลกเนี่ยเพราะว่าเราย่อยออกไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตในความมีชีวิตมันก็คือรูปไม่ใช่ในความไม่มีชีวิตเนี่ยคือรู ป, ปรขันขันกองรูปเป็นกลุ่มของสิ่งที่เกาะกลุ่มกันด้วยเหตุปัจจัยการมารูปก็คือสิ่งที่เสื่อมสลายไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งหลายภูเขาแม่นม้ําลําคลองโลกดวงดาวทั้งหลายเนี่ยฮ ะ, ะที่ยิงเป็นรูปขันขันทั้งนั้นะ เวทนาคือจิตนะเวทนาสัญญาตั้งขานวิญญาณเนี่ยที่จริงคือจิตกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับจิตท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจตสิกหมายความว่าเวทนากดีสัญญากรีสังขารกรีน้ำเป็นเจตสิกแล้วก็ตัววิญญาณ น, นั้นที่จริงก็คือจิตตกลกว่ากายกับจิตสิ่งอะไรก็ตามที่มีวิญญาณครองเคลื่อนไหวได้ก็เรียกว่ามันประกอบด้วยรูปกกนาม แต่ว่าสิ่งที่เป็นรูปเฉยๆก็เป็นรูปแต่ว่าการรู้จักว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็เป็นนามนะฮะเป็นการทางจิตตรงนี้จึงกลายเป็นตัวปัญหาเป็นที่ตั้งของอุปาทานที่เราเรียกว่าอุปาทานขันนะฮะยึดถือเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเรากเป็นบุญๆอย่างเงี้ยอะไรก็เราๆอย่างเงี้เองแล้วก็ความทุกข์ต้งปวดมันก็สืบเนื่องมาจากตรงนี้สืบเนื่องมาจากเรารู้สึก เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวของตนของเราที่พระเจ้าทรงสรุปตอนุท้ายที่เราสวดนะนะฮะปัจจุปัสังกิตเตนะปัจจุปปทานนะคันธาทุกขาไอ้นี่สูตรเหมือนกันนะนะฮะสูตรเหมือนกันหมายความว่าจะเทศที่ใดก็ตามเป็นอย่างนี้ตลอดเลยคําเหมือนกันทุกคำใช้คําเดียวกันตลอดเทศตั้งแต่ธรรมจักไปจนถึงมหาปฏิพานในสูตร45ปีเนี่ยพระเจ้าใช้คําเหมือนกันทุกคําเลยก็ มันเป็นความจริงที่ที่ไม่มีความเป็นอย่างอื่นไปได้นะฮะไม่มีความเป็นอย่างอื่นไปได้เพราะว่านายลองสังเกตว่ากองของขันหรือขันขันตั้งห้าเนี่ยที่มันเกิดปัญหากับเราเพราะเรามีความรู้สึกต่อขันห้าเหล่านั้นว่าเป็นของเราว่าเป็นเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราทีนี้อาการที่รู้สึกเป็นของเราเป็นเราเนี่ยมันเกิดจะรู้สึกเป็นตัวเป็นตนของเราแ้่เราไม่มีตัวมีตนนะนะเราไม่มีตัวมีตนเราก็ไม่ยึดถือในตรงนั้น ให้ลองสังเกตว่าบางอย่างเนี่ยมันมันมันมั น, ม, นมันไปไปสร้างขึ้นโดยประชีวิตประจําวันนี่ยนะฮะชีวิตประจําวันเช่นสมมุติเราชื่อก่อชื่อขอเนี่ยที่จริงไอ้ไอ้นี่มันเป็นสร้างสร้างให้รู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาสมมติเป็นนายกรนายขอแล้วพอเขาไม่เรียกชื่อเราอย่างนั้นเราโกรธนะฮะทั้งๆี่ไม่ชื่อไม่ค่อยเพราะอะไรแต่ไรล่ะแต่ทําให้เรียกอย่างนั้นเราโกรธละ่ะนั่นก็แสดงว่าไอ้นี่มันถูกสร้างให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทั้งทั้งที่ชื่อเองวาสมมติแล้วมันก็วางอยู่บนสิิ่่งทีสมมต ไอ้สิ่งที่เป็นเป็นเป็นชีวิตเราเพราะสิ่งที่สมมุติขึ้นและไอ้ตัวชื่อเองมันก็สมมติอะไรมันก็สมมติสมมติสมมติสมมติขึ้นเขาเรียกว่าสมมุติทับสมมติซ้อนสมมุติก็ซ้อนกนอนตกลงเลยในความเป็นในความเป็นอะไรแต่ละอย่างเนี่ยและประกอเกิดปัญหาคือความยินดียินร้ายความรักความจังอะไรก็ตามที่เป็นการปนปลื้ตัวตนของเรานะฮะรู้สึกว่าเราใหญ่เราโตเราดังเราเก่งเราสามารถอะไรแต่เราก็ชื่นชม ขนโจงกับสิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรเป็นการรู้สึกว่าเป็นดูมิ่นตัวตนของเราเนะียเราก็จะเกิดความความโกรธเห็นไหมว่าจริงๆมันมาจากคาว่าตัวตนทีนี้ไอ้จากการที่เป็นตัวเป็นตนเนี่แหละมันก่อให้เกิดการขวายพาเพื่อกนปลืต้ตนเจ๊ะมะมันก็กากพาของเราของเราของเราของเร า, เราไปเรื่อยๆเพื่อมากลนปลืตนแล้วก็รู้สึกพอใจยินดีในความเป็นอะไรของตนของตน ซึ่งตรงนี้ก็ก็กลายเป็นทิฏฐิที่ที่เคยยกตัวอย่างว่าทิฏฐิตรงนี้ก็คือคืออะไรก็คือสัจสตทิฏฐิเราเข้าใจว่าตัวนี้มันเที่ยงเราเข้าใจว่าขันมันเที่ยงรูปมันเที่ยงเวทนามันเที่ยงสัญญามันเที่ยงสังขารมันเที่ยงเราเลยต่อต้านความไม่เที่ยงต่อต้านความไม่เที่ยงพอเพราะอะไรมันแสดงความไม่เที่ยงออกมาเราก็ต่อต้าน ก็ยังมองว่าที่จริงตรงนี้มันก็ในแง่โลกมันก็ดีนะเพราะมัดสร้างธุรกิจเยอะเลยเห็นไหมฮะธุรกิจที่เกี่ยวกับขันห้าในวันเยอะเหลเือเกินเหยเก่าความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากอะไรต่างๆที่เป็นธุรกิจเยอะธุรกิจที่แก้ปัญหาเรื่องแก่ก็รวยกันจังเลยนะฮะแก้ปัญหาเรื่องเจ็บก็รวยเ่วเรื่องตายก็รวยวัดไร้ละหรือ ว, วัดมีเมงก็รวยนะแล้วกระบวนการตรเนี้เราเห็นามันสร้างธุรกิจมาศ า, ศ า, ศา แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันนำความทุกข์มาสานมาให้เพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าจึงบอกว่ากองทุกข์เป็นทุกข์กัณฐ์คือกองของทุกข์เป็นกองทุกข์ล้วนๆที่เราจะต้องปรนปลื้เพราะมีความรู้สึกว่าเป็นของเราแล้วก็คอยคว้าปรารถนาของเรากันไปเพราะฉะนั้นเพื่อจะตัด ตัดปัญหแนวในนี้ต้องการจะทำลายตรงนี้นะฮะเราจะเห็นว่ามองแบบตัดปนันหาคือเจริญนิัสานานั่นเองที่จริงคือเจริญนิพสานานั่นเองแต่สอนในแนวที่เคยพูดเรื่องขันธปภะามานะฮะในธรรมานุวัสสนาสถิติประธานขันธปภะเนี่ยนี่คือรูปนี่คือความเกิดของรูปนี้คือความดับของรูปดูปเหมือนกับเวทนาสัญญาวอวิตกนะฮะนี่คือรูป นี่คือความเกิดของรูปนี่คือความดับของรูปแล้วจะเห็นว่ารูปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยรูปมันเริ่มจากไม่มีรูปเห็นว่ารูปทั้งหลายจริงมันเริ่มมาจากไม่มีแล้วมันเกิดจากจิตก่อนจิตคิดให้มีใช่ไหมจิตคิดให้มีเช่นมีรูกเนี่ยมันจิตคิดได้มีมีบ้านเนี่ยจิตคิดได้มีอะไรมันก็จิตคิดได้มีมีเสื้อมีผ้ามีอะไรอะไะจิตมันคิดได้มีมันเกิดเป็นนามธรรมขึ้นมาก่อนภายในจิตแล้วจิตมันก็ปรุงบกมาเป็นรูป นะเช่นในสร้างบ้านมันก็สะเก็ดภาพอะไรแต่ละออกมาวางกันดีกว่าจละลงตัวเพราะแต่ละอย่างนั้นมีนการเกาะกลุมอย่างนี้ท่านอุ ป, ปมาไว้นะพระวจิราเทรีภิกษุณีท่านอุ ป, ปมาว่ามันเหมือนกับราชรถราชรถจริงๆมันไม่มีราชรถแล้วมันก็ค่อยๆเป็นราชรถขึ้นภายในจิตแล้วมีการสร้างขึ้นมากําหนดเป็นราชรถมีการทุ่มติง้งมีการแก้มีการอะไรแต่ปรับปรุงกลายเป็นรา ราชรถถาวรราชรถมันอยู่ตรงไหนที่จริงมันไม่มีราชรถมันมันสิ่งไม้แต่ละอันมันมาถูกกําหนดเข้ามาตรงนั้นเมื่อเป็นเป็นเป็นเป็นราชูประโคก็เรียกว่าราชรถนะฮพกเจ้าบ้านชายมันก็กลายเป็นรถดิฉันก็แล้วแต่นะแล้วแต่จริงๆมาเป็นเรื่องสมมุติสอนกันในเรื่องของสมมติตอนนั้นเพราะคนเราสัตสังขารทั้งหลายก็เหมือนกันมันมันเป็นการก่อคุ้งกันธาตุอายตนะ เราไม่มีอยู่โดยจริงๆโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติจริงๆเราไม่มีอยู่จริงนะการมีก็เกิดขึ้นมาจากการปรุงการแต่งการคิดนะการยึดเอาก็คล้ายๆกับสมมติศาสของพระค่อนข้างเห็นไดชัดนะรรมสมมติศาสของพระสมมุติเราเป็นสามมันเนี่อามาสมมุติเราเป็นตอนเป็นมโหสถุกราภพรเนี่ยคนก็ต้องเรียกมโหสถลกนาภพรอ้อาวพอเป็นราษิก็มาก็ต้องเรียกราดเห็นไหมมันก็ติดตรงนี้ติดตรงนี้แล้วพอเขาเรียกอย่างอื่นก็โกรธอ่ะ ไม่ชอบแล้วเห็นนะฮะนั่นคือสแสดงให้เห็นว่ามัดสร้างขึ้นมาเฉยๆทั้งๆ ท, ที่ไม่มีอยู่จริงอ่ะเอามายัางยังยังเอาไปไปไปในวังแล้วพัดให้เพื่อนดูเลยนี่มาพัดพัดผมนี่ผีตายมันเยอะเลยพัดเก่าวมากนฮะเราบอกเนี่ยเจ้าของก็ตายมาเยอะแล้เราก็ไปเดียวยเราก็ตายเออตายแล้วเราเราก็ไปชื่นชมกระสมบัติผีใช่เราชื่นชมสมบัติผีเราเราเร า, เราก็ไปยึดติดตัวเนี้ย ทั้งๆที่ของตรงนี้ที่จริงคนตายมาเยอะแล้วเราก็ไขว้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงให้เห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เรายึดของเราของเราของเราเนี่ยที่จริงของผีคือคนตายตรงนี้เยอะเลยเจอนะฮะที่ดินตรงเนี้ยแปลงตัวเนี้ยที่ดินของเราของเราไอ้คนที่ว่าของเราน่ะตายไปเยอะแล้วในโลกตรงนี้จริงไม่มีคนที่ไม่เคยตายเห็นไหมแต่เราก็ไปยึดถือว่าของเรามันก็สอนเราว่าตรงนี้ที่จริงไม่มีใช่ไม่ไม่ใช่ของใคร นะเพียงแต่ว่าเราไปเข้าใจว่าเป็นของเราเพราะอะไรเพราะว่าตัวตนของเรายังไม่ใช่ของเราเลยนะไอเนี้ยที่ดินเรื่องโซนไร้นะ้บ้านช่องอะไรอะไรจะเป็นของเราได้ยังไงนั่นก็คือการมองในแนวที่จะลดอะไรลดกามนะลดกามลดตันหาลดการไปคว้าปรารถนาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะไ อ, ไอขนาดเด็ดขาดของคาไม่ได้ทํายาก อย่างน้อยที่สุดก็คือควบคุมการแสวงหาอย่าถึงก็ทําบาปจะถึงก็ทําบาปเพื่อได้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงไงนะแล้วก็ในแนวตรงนี้ทั้งทั้งๆทั้งทั้งก็สอนให้ดูตัวความเกิดความเกิดของรูปนะความดับของรูปไม่ช่กันตั้งอยู่ของรูปความดับของรูปนี้ขวานี่รูปนี้ความเกิดของรูปนี่ความดับของรูปดูรูป ดูมันรูปแล้วดูสืบสาวถึงความเป็นมาของรูปเราจะเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ขับมาลีทันชาคําดิท่านชายคำว่าจะอภภาวะคือความไม่มีอะไรเลยนะฮะมาสู่ภาวะคือความมีและจากภาวะที่มันมีเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงและในสุดมันก็กลายเป็นอภาวะคือมันมาอย่างที่มันมาอย่างนที่เคยยกตั ว, ตวอย่างมาพระนามของพุทธเจ้าอมาสนใจชื่อตัวนี้มาก สนใจคํา่าตาตาคตนี่สนใจมากนี่แปลกเราไม่พบว่าใครเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระตาคด ต, ตอนมันพระพุทธเจ้าเรียกพระองค์วาตถาคตว่าแปลว่าอย่างไรเราไปดูที่แปลเนี่ยท่านแปลไว้ตั้งแปดแต่อยะอย่างที่เคยบรรยายความกันก่อนแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งถ้าแปลคําต่อคํานี่ยจะชัดมากเลยมาอย่างไงไปอย่างไงมาอย่างไงไปอย่างนั้ น, ไไ น, นชัดมากเป็นภาพที่เห็นชีวิตเลยมาอย่างไงมาจากไม่มีอะไรเลย แล้วปไปก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมนกันมาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นมาอย่างที่ฉันมาฉันก็ไปอย่างที่ฉันไปนะแปลว่าจำนวนมาอย่างที่ฉันมาฉันก็ไปอย่างที่ฉันไปแล้วก็ไปสอดคล้องกับอะไรคํากรอนที่เขแต่งนะฮะเมื่อจะมามีอะไรไมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกสนาสนไหนจะมามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามันเจ้ามาอันนี้นี่พราอมมากเลยพันนามตัวเนี้ยคล้ายๆสะท้อนสอนคนตลอดเลยสองคนตลอดอมาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นนะ นะมาอย่างที่ฉันมาไปอย่างที่ฉันไปเธอมาอย่างที่เธอมาเธอก็ไปอย่างที่เธอไปเพราะงั้นเพื่อจะบรรเทาอะไรมันเท่าความกําหนัดความฝ่ายคว้าอย่างน้อยที่สุดเราจะเห็นว่าตรงนี้ที่จริงมันมีทั้งระดับสินธรรมจัน ญ, ญาระดับคุมตันหาคุมมานะคุมทิฏฐิมันมีทั้งระดับสินธรรมจัน ญ, ญาระดับสินธรรมจัน ญ, ญาก็คือว่าเรามีตันหาแต่ว่าทํำยังไงว่าความอยากนั้นให้คุมไว้อย่าให้ผิดศีล เอาแค่จะผิดศีลก่อนไม่ไม้แต่ว่าอะไรมากเอาจะผิดศีลก่อนอย่าถึงกับไปลักไปปล้นไปจี้ไปขโมยไปคอร์รัปชันกงกินอะไรอะไรมาทีนี้ระดับมานะนี่เป็นความเป็นเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าระดับสมมติสัจจะนี่ก็เป็นก็ได้แต่ว่าเป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นเข้าใจว่าเป็นแล้วก็ทําหน้าที่ตามที่เราเป็นนะฮะทำหน้าที่ตามที่เราเป็น อย่างพวกที่ถกเนี่ยจริงๆมันก็มานะนะฮะมาหน้ารู้สึกว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเป็นลูกเอ่อเป็นนายเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นพันยาจริงๆมันก็มาหน้านะฮะมันก็มานะความตัวแต่ว่าทรงสนรับสินธรรมจัญยานั้นให้ใช้มานะให้เป็นประโยชน์หมายความว่าเป็นอะไรก็ตามพยายามเป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นก็ทําหน้าที่ของตัวตามที่ตัวเป็นให้ถูกต้องสมบูรณ์ แต่ไม่ใช่ยึดติดในความเป็นนะฮะไม่ใช่ยึดติดในความเป็นว่าเป็นเป็นรัฐมนตรีแล้วมาถึงบ้านมาสั่งการเป็นครอบครัวเป็นเป็นเป็นเด็กในกระทรวงกันไม่ได้นะฮะพอมาถึงบ้านก็คือบ้านบ้านน่คือบ้านอยู่ตรงไหนเราก็ปรับขอเราเป็นอย่างนั้นไม่ไปแบกความเป็นตรงนี้เอาไว้แล้วเราจะเห็นว่าการเป็นตรงนี้จะไม่หนักจะไม่หนักอะไรนะฮะเราเราพร้อมจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะทำยังไงก็ได้ แต่ถ้าเราแบกความเป็นแล้วจะเดือดร้อนไปถึงที่นั่งก็ต้องยังงั้นไในน้ําดื่มก็ต้องอย่างงั้นไในของกินก็ต้องย ง, งั้นคนต้องเข้าแถวอย่างว่ามันมันรุงรังมันหนักมันมั น, มนทําให้หนักเป็นโดยเบาๆนะเป็นเบารังเราเร า, เราลองดูว่าอย่างอย่างนี้อย่างอย่างที่ก็ล่าประวัติรายการที่ห้าเราจะเห็นว่าท่านเป็ น, เ ป, นเป็นอ่ะท่นไปไหนท่านก็นั่งคุยกับชาวบ้านได้คนไม่รู้ท่านท่านท่านเป็นประชาปรณิตก็ทําให้ท่านเบา เป็นการประพฤติตัวเบาไม่เป็นแบกความเป็นเพราะความเป็นไม่เป็นเรื่องของมดเท่านั้นเองแล้วก็ตัวตนนะฮะตัวตนก็พยายามให้ยอมรับตัวตนของกันและกันเห็นนะมพยายามยอมยอ ม, ยอมรับตัวตนของกันและกันโดยโดยอะไรก็คืออย่าละเมิด อ, อย่าละเมิดสิทธิของตัวตนของกันและกันเพราะงั้นแนวศีลแต่เราสั ง, งเกตว่ายอมรับปัญหามานะที่จรินะยอมรับแอกของเรา แต่ยอมรับของเขาด้วยเห็นมฮะยอมรับของเราแต่ยอมรับของเขาด้วยยอมรับเป็นเราแต่ยอมรับเป็นเขาด้วยเห็นฮะยอมรับเป็นเราเป็นเขายอมรับเป็นตัวเป็นตนเขาก็เป็นตัวเป็นตนเราก็เป็นตัวเป็นตนเพราะงั้นศีลก็คือเรื่องยอมรับสิทธิของเรากับของเขาในความเป็นตัวตนทั้งของเราและของเขาโดยลดความรู้สึกรุนแรงแบบมิเกสันดีแบบแบบสัตว์จต้าลากกันพอมาถึงธรรมะเนี่ย ระดับนี้ก็หมายความเคารพสิทธิในชีวิตของเขาของเขามีนะฮะสิทธิชีวิตของเขาตัวตัวปาณาก็คือตัวตัวตนเห็นไหมตัวตัวตนนั่นเองตัวทินนาก็คือตัวของตนเห็นไหมตัวกาเมก็คือตัวของตนมันมีตัวตนก็มีของตนแล้วก็แต่ละคนนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนเป็นทรัพทรัพนั้นเป็นทรัพสิ่งนั้นสิ่งนั้นปัญญาสามีอย่างนั้นอย่างนั้นก็แสดงว่าฉันนี่ยอมรับแต่ไม่ละเมิดกัน ระดับศีลธรรมกันยาคือสิทธิกันาจีพอถึงจุดหนึ่งมันมันมันวิธีสอนนี้สลายค่อยค่อยสลายพอมาถึงจุดธรรมะเราจะเห็นว่ามันตัวตนมันมีนะฮะแทนที่จะเป็นเราเป็นเขามันก็ลดลงมามาเป็นเรากับพวกเราเป็นเรากับพวกเราพอมาถึงปารมัตธรรมไม่ไม่ไม่มีทั้งเราทั้งเขาเห็นไหมฮไม่มีทั้งเราทั้งเขานิสโตนิชีโวสูญอยไม่มีทั้งเราทั้งเขา แต่ว่าปัญหาตอนต้องการคือความรู้สึกเพราะความรู้สึกอย่างนี้ลัทธิบูชิโดของญี่ปุ่นนะฮะบูชิดโโดยไม่มีเราเป็นข้อของแย้งนั่นนะะพวกบูชิโดที่มาเป็นซาโูไรอะมาเป็นซาโูไรพวกนี้สามารถจี้คว้านทองตัวเองได้สบายมันมันฝึกกันมาขนาดนั้นน่ะนะแต่มันทําบาปไม่บาปอะมันยุ่ง น, นี่ตัวนี้ยฆ่ากันได้เลยไม่บาปถือว่าเป็นอะไรล่ะเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นบุญเป็นกุศลนะี่ย ตายกับซาโมรัยเนี่ยมันมันมันมันโก้มากมันสางงามมากเลยเละเลยนะเพราะงั้นตรงนี้ต้องยอมรับความเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยอมรับในแง่ของบุญบาทด้วยดังนั้นคนที่เข้าถึงตรงนี้ท่านหมดอวิชชาแล้วแต่หมดอาสวะหมดหมดหมดหมดกามหมดภพหมดอวิชชาแล้วท่านจะมองคนที่ยังมีอยู่ด้วยความสงสารมันก็สภาพจิตมันก็คล้ายๆนะคล้ายๆเหมือน เหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะเราดูการเล่นของเด็กอะไรต่อไรด้วยความสงสารด้วยความกติใจแต่เราไม่ลงไปเล่นกับเด็กแล้วนะฮะเราไม่ลงไปเล่นกับเด็กนอกจากว่าเป็นข้าวสารโคมึเงเล่นเนี่ยแต่ว่าตามปกติเราจะไม่ลงไปเล่นกับเด็กแล้วนะั่นนี่ก็คือก็คื อ, คอสภาพจิต ท, ที่มันปรับขึ้นมาเป็นการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยที่จริงมีจุดมีจุดมาอยู่ตรงนี้นะที่ท่านใช้ควาว่ามีพระอาหารหันต์เป็นยอดแต่หมายความว่าต้องการแสดงให้เห็นว่า สมาธินี่มันมีผลแต่ละระดับถ้าเธอเอาขนาดนี้เธอก็เป็นสุขในปัจจุบันได้ถ้าเธอเอาขนาดนี้นนน อ, อ, นนอย่างน้อยนี่เธอมีชีวิตยังมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองตัวเองได้ถ้าเธอฝึกอย่างเงี้ยจะประกันความมีสติสัมปชัญญะความเพ้อเรอความฟังฟ้าความลืมลืมความเลอะเลือนอะไรต่างๆมันจะลดน้อยลงไปแต่ถ้าเธอเข้ามาถึงจุดนี้ได้เธอจะรู้เห็นอะไรตามความจริงจะไม่มองอะไรแบบสั้นๆแคบๆตัดตอนเอาผ่า จากนี้ถึงถึงนี้มันมันไม่ใช่มันมั น, ม, นมันเป็นกระบวนการมันเป็นโดมิโ น, โนเป็นเรื่องของปัจกิยการมิจจะมองเห็นอย่างนั้นแล้วในที่สุดพอมาถึงตรงนี้มาถึงข้อสุดท้ายเนี่ยหมายความว่าจะอยู่ในโลกโดยรู้เท่าทันโลกแล้วก็มีสติสัมปญญายสมบูรณ์ตรงนู้นกลับมาหมดเลยนะสามข้อแรกนี่ยจะกลับมาหมดเลยเพอ่มามาถึงข้อสุดท้ายนั่นก็จะสมบูรณ์หมดทุกอย่าง แต่ท่านจะรู้ทั่วรู้ท่านท่านโลกเรียกว่าอยู่อย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะมองคนมองสัตว์ทั้งหลายด้วยความเมตตากรุณานะนั้นก็คือเป็นเป็นพัฒนาการชีวิตในระดับของสมาธินะแล้วก็ขึ้นมาถึงระดับของมรรคผลิภานเป็นการจําแนกแสดงไว้เป็นตอนๆ น, นะฮะจริงๆแล้วก็ต่อเนื่องกันเพียงแต่ว่าเราได้รับผลในระดับนั้นๆ คล้ายๆการเรียนใอปวชปวสปริญญาอะไรตัวไนเนี่ยมันก็ขึ้นมามันก็ได้เงินเดือนต่างๆกันแต่ก็ต่อเนื่องกันนะครับสหรับวันนี้ก็ข อ, อุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุ์ในธรรมจะมีแด่ท่านสาธุรณรัยโดยทั่วกันทุกท่านเืิน